ต้นไม้ที่ทำกรรมอยู่เสมอแน่นอนเพราะคำว่ากรรมซึ่งแปลว่าการกระทำนั้นในความหมายที่ลึกซึ้งก็คือพฤติกรรมที่มีความหมายหรือพฤติกรรมที่มีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งต้นไม้มีพฤติกรรมต่างเช่นมีการกินอาหารทางรากมีการย่อยมีการเผาผลาญมีการสร้างสรรค์ซึ่งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีความหมายคือมีเจตนาทั้งสิ้น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 และวิบากจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการกระทำวิบากแห่งวิญญาณของต้นไม้ก็คือสมัติภาพต่างๆในการสร้างสรรค์ซึ่งวิบากที่ว่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการกระทำโดยในยะนี้ต้นไม้ได้ทำกรรมอยู่เสมอและวิบากที่เกิดจากกรรมอันนี้ก็คือสมัติภาพต่างๆที่มีอยู่ในวิญญาณ